มานก็เลยปรับแผนใหม่เอางนะี้น่ะถ้าการะไรเราพึงชักชวนพวกพราหมณ์ขึ้นหาบดีว่าเชิญเถิดท่านทั้งหลายเราทั้งหลายมาร่วมสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดนะปรับแผนใหม่นะก่อนชวนกันดา่าตอนนี้มาชวนให้เลื่อมสาย แม้ฉไนเมื่อภิกษุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยประการที่ทูสีมานพึงได้ช่องหมายคือว่าถ้าพระภิกษุเนี่ยเลื้งในลาบสักการะเมื่อไหร่เสร็จเรางั้นถอะนะก็แปลว่ารองปรนเปือยกัว่า สัมนวนเนี่ยเขาบอกติดคุกอันละมุนละไม่มันก็พยายามจะปลนเปลือยให้ท่านเพลินที่สุดมีความสุขที่สุดเนี่ยนะให้ไปที่ไหนก็ได้รับแต่ลาบสการะสรนเสริญชื่อเสียงเดี๋ยวใจก็ติดหมกมุ่นอยู่ในลาบสการะเมื่อใจหมกมุ่นในลาบสการะมากๆเข้าท่านก็จะเลิกใส่ใจในอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไปข้าพเจ้าผู้เป็นมารก็จะจูงจมูกไปได้ง่ายๆหน่อยนะก็จะเรียกว่าใช้วิธีปลนเปลืยเนี่ยนะบำรุงบำรเรอด้วยลาบสการะ จำนวนบางท่านก็บอกว่าติดคุกอัลละมุลละไมเหมงอนกันไปที่ไหนก็ได้รับแต่ลาบสาการะก็จะได้เพลิดเพลินชื่นชมในวัตตาว่าวัตตานี่มันช่างน่ารื่นรมแท้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมีแต่โลกกระทำฝ่ายดีใช่ไหมไปที่ไหนก็ได้รับแต่ลาบสาการะชื่อเสียงสรนเซินบุคคลทั้งหลายล้อมหนะ้าล้อมหลังก็จะไม่เบื่อหนในวัตต์เพราะฉะนั้นเสร็จเราละมานเขาคิดไว้ยอย่างนี้ มารผู้มีบาปครั้งนั้นทูสีมารก็ได้ไปชักชวนพรามและครือข บ, บดีนั้นว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดแม้ฉะนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถืออยู่พึงมีจิตเป็นอื่นจิตของเดี๋ยวก็เลิกเจริญศีล เ, เดี๋ยวก็เลิกรักษาศีลเดี๋ยวก็เลิกเจริญสมถะเลิกเจริญวิปัสนา นะบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นะบางคนเนี่ยพอถูกด่าแลยก็เลิกเจริญสมนะธรรมก็มีไอ้บางคนเนี่ยถูกดาก่กก า, ก า, นนกดาทนได้หมดเลยเพอถูกชมเมื่อไร่เลิงเลยเสียคนเลยเพราะฉะนั้นอาจจะถูกชมแล้วอาจจะเสียคนก็ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวิธีที่วิธีทําลายอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีชื่นชมเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยทำลายด้วยการด่ามไม่สําเร็จต้องทําลายด้วยการชื่นชมเนี่ยนะใครเรียกว่าอะไรนะก็เหมือนกับแบบทางโลกอ่ะนะทางโลกในข้าศึกสงครามทั้งหลายก็บอกว่าถ้าศึกฝ่ายโน้นเนี่ยนะ แบบนิ่งบางทีก็ต้องด่าด่าแล้วข้างน้นก็จะเพลียงคลัําเสร็จเรา ทีนี้ถ้าหากว่าแหมไฟโน่เนี่ยนะเฮิร์มบางทีก็ต้องอะไรยุส่งเลยเนี่ยชื่นชมส่งเลยเดี๋ยวก็เผลอตัวเดี๋ยวก็เสร็จเราเพราะฉะนั้นก็วางแผนมานก็เลยวางแผนเพื่อจะ ก, กําจัดผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมจิตจะได้เป็นอื่นจากศีลจิตจะได้เป็นอื่นจากสมถะและวิปัสสนาเมื่อจิตเป็นอื่นจากศีลก็อยู่ด้วยโทสะเมื่อจิตเป็นอื่นจากสมถะก็อยู่ด้วยโลภะเมื่อจิตอยู่อย่างอื่นจากวิปัสสนาก็อยู่ด้วยโมหะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะเจริญ ศาสนามารก็เจริญขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นบริวารมารก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะตามบก่กุ้งบ่ปูบ่ปลาตามท้องไร่ท้องนาเป็นมดเป็นปลวกเต็มไปหมดเลยเสร็จมารเนี่ยทีนี้พอมารชักชวนอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะมารผู้มีบาปครั้งนั้นแลทูสีมาร นนะมานผู้หลามมกครั้งนั้นพราหมเคฤหาบดีเหล่านั้นถูกทูสีมานชักชวนแล้วก็พากันสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมานผู้มีบาปสมัยนั้นแลมนุษย์เหล่าใดกระทําการละไปมนุษย์เหล่านั้นเมื่อกายแตกตายไปโดยมากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ไปสวรรค์กันซะส่วนใหญ่เพราะอะไรเพราะเขาทำบุญพทบูชาพระสงฆ์ทั้งหลาย ทีนี้วิธีเนี่ยมานเขาทำยังไงเขาชักชวนให้เลื่อมใสในพระพิสุเนี่ยนะเขาบอกว่าในอัตกคถ า, นา 79, หน้าสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าย่อหน้าล่างๆก็คือมานไม่ได้เข้าสิงอะไรหรอกแต่มานเนี่ยแสดงอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความเลื่อมใสเขาเรียกว่ามานเนี่ยนะยุยงให้คนเกลียดพระพิสุได้แล้วทําไมมานจะช่วยให้เลื่อมใสในพระพิสุไม่ได้วิธีการที่ทําให้ประชาชนเลื่อมใสในพระพิสุก็ทราบว่า มานนั้นได้แสดงแก่พิสูจทั้งหลายไว้ในที่ปรากฏแก่คนทั้งหลายเช่นท่านเดินอยู่บนดินก็ให้ดูเหมือนเดินอยู่ในอากาศท่านยืนอยู่บนดินก็เหมือนกับท่านยืนอยู่บนอากาศเนี่ยนะเหมือนองค์นี้เดินไปบินธบาทไม่ได้เหยียบดินเลยท่านเหยียบแต่อากาศเดินบินทบาทอุ้ยเห็นขันนะนี้จริงอ่ะท่านไม่ได้เดินลอเหาะเดินอะไรหรอกแต่ว่ามานเนี่ยสร้างภาพมานได้สร้างภาพให้เหมือนกับพระพิสูุนเนี่ยเดิน เรียกว่าเดินบนอากาศบินธบัดยืนบนอากาศบินธบัดนั่งก็นั่งบนอากาศนั่นแหละเย็บผ้าก็เย็บผ้าบนอากาศว้าท่านเหล่านี้ไม่ติดดินกันเลยน่ะนะเหาะกันได้ทุกอิริยาบทเพราะฉะนั้นสอนคัมภีก็สอนพระไตรปิฎกก็สอนอยู่ในอากาศเหาะสอนเนี่ยนะใครไม่เลื่อมใสใช่ไหมเหมือนกับคลี่จีวรให้รับอ่าให้กายรับฤดูในอากาศเพราะฉะนั้นบรประชิตทั้งหลายนี่เดินก็เดินบนอากาศนั่งก็นั่งในอากาศนอนก็นอนในอากาศท่านเหาะกันได้หมดเลยน่ะนะ เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งพระหนุ่มเนรน้อยเพิ่งบวชเข้ามาใหม่เนี่ยนะเหมือนยืนเก็บดอกไม้ในอากาศท่านสมณเนหนุ่มเนี่ยเก็บดอกไม้เนี่ยก็เหมือนกับบับไม่เหาะไปเก็บดอกไม้บนอากาศกันะคือทุกอย่างเนี่ยจะดูให้เป็นอภินิหารดูทุกอย่างน่าอัศจรรย์ไปหมดมาในสร้างภาพเพราะฉะ น, นั้นพวกชาวบ้านมนุษย์เข้าไปในปา่าในดงไปวัดไปเห็นการปฏิบัติอันนั้นของบรรพชิตเนี่ยนะทุกองเหาะได้หมดเนี่ยแม้จะเลื่อมใสขนาดไหน พระเนนบ้าพระนุมเนน้อยบวชเข้ามาวันสองวันเหาะกันได้หมดเลยท่นข้อเหล่านี้ก็จะบอกคนอื่นว่าโอ้ยที่สุดแต่แม้แต่สามเนรก็ยังมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะฉะนั้นทานที่ถวายในท่านเหล่านี้เชื่อวมีมีผลมากมีใ น, นสงฆ์มากมาเธอเรามาร่วมกันทําบุญนะดูสิแม้กระทั่งพระเล็กเนรน้อยก็ยังเหาะกันได้หมดเลยเลยเนี่ยนะทุกองเดินมินทบาทก็เดินบนอากาศนั่งบนอากาศซ้อนทําก็ซ้อนบนอากาศเดินจงกรมก็ยังเหาะเดินอย่างเงี้ยนะั โอน่าเลื่อมใสกันมากเลยก็เลยทําบุญให้ทานท่านต้องเป็นนาบุญท่านต้องพิเศษแน่นอนช่วยกันบูชาสการะเถอเะมันก็เลยเรียกว่านะนะบูชาพระภิสุสงฆ์ทั้งหลายด้วยปัจจัยสี่ชำระหนทางแห่งสวรรค์ให้แก่ตนน่นนะทีนี้เมื่อพระพิสุทั้งหลายได้รับรา บ, ร บ, รบสการะปกติแล้วราบสการะเนี่ยนะก็เป็นโลกธรรมฝ่ายดีบางคนเนี่ยไม่เสียเพราะคําด่าแต่เสียเพราะรา บ, รบสการะเพราะฉะนั้น พระภิสูจทั้งหลายเนี่ยนะที่มีจิตที่มีราบสการะมากๆขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ก, กัคปุสันทะเนี่ยนะผู้เป็นพระาฒันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เรียกพระพิสูจน์ทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และครห บ, บดีอันทูสีมานเนี่ยชักชวนว่า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 เรียกว่ามีจิตอันลาบสการะครอบงามก็ละทิ้งศีลจิตอันมีลาบสการะครอบงามก็ทิ้งสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเมื่อจิตทิ้งสมถะวิปัสสนาทิ้งการประพฤติปฏิบัติชอบอันเป็นปฏิปทาที่นําออกจากทุกเมื่อเลิกปฏิบัติ ด, ดีมันก็มาปฏิบัติชั่วไม่เดินการเดินทางอยู่ตลอดนี่ถ้าไม่ผิดทางก็ถูกทางก็มี2 อ, อย่างนี่แหละกายกรรมก็ตามวาจีกรรมก็ตามมโนกรรมก็ตามถ้าพูดออกมาหนึ่งคำปั๊บ ไม่ดีก็ชั่วไม่บุญก็บาปมีอยู่สองอย่างถ้าทิ้งบุญเมื่อไหร่เสร็จบาปใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเสร็จบาปเมื่อไหร่มาลก็สมความปรารถนาและเสร็จข้าพเจ้าแล้วคันนี้ท่านเอ้ยเนี่ยนะจะจูงให้ท่านไปเกิดเป็นควายก็ได้จูงให้ท่านไปเกิดเป็นโคก็ได้อนนะถ้าท่านละทิ้งศีลสมถาวิปัสนาจูงให้ท่านไปเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานเป็นนรกเป็นอะไรก็ได้หมดอันะนะัเสร็จเราหมดนั้นะจะจูงให้ท่านจุติปฏิสนธิในวัฏฏะไม่เบื่อไม่ไหนายก็ได้ มารเาก็วแฝงไวด้วยเจตนารมณ์ที่เหี้ยมมากเนยนะครับพระพุทธเจ้าก็เล่าความจริงให้ใหพระพิสุท์ทั้งหลายฟังว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นแผนของมาร น, นะให้รู้เท่าเนี่ยเป็นแผนของมารจริงๆแล้วคำว่าแผนของมารก็คือศัตรูเนี่ยนะทำอะไรเพื่อศัตรูอยากคิดว่าเขาชื่นชมศัตรูแต่เป็นการเรียกว่ากโลบาย ไม่ใช่กุส โ, โลบายนะกุส โ, โลบายเนี่ยเรียกว่าทําด้วยจิตที่ฉลาดหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลแต่นี่เป็นกลอุบายเป็นเล่เหลี่ยมของมารแต่แม้แต่ว่ามารเนี่ยเล่นเหลี่ยมในฝ่ายดีก็มีคนไปสวรรค์เยอะเหมือนกันนะเล่นเหลี่ยมฝ่ายชั่วก็ตกนรกเยอะเนี่ยนะก็แล้วแต่เหลี่ยมของมารนนะัหมือนเธอแมมมารนี่ยุ่งจริงเลยนะปัญหาถ้าเราเป็นมาร์เสียเองจะทำไงดีเคยเป็นหรือเปล่าเงี้ยนะ มีปกติมั่งรู้สึกว่าจะเป็นเทพผูพบ้บเทพพิธิดาครั้งคราวใช่ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนพระพิสุทั้งหลายว่าทํำยังไงดีเมื่อเมื่อมารเขาทากันอย่างนี้เนี่ยนะพระองค์ก็บอกพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมาพิจารณาเห็นกายว่าไม่งามกล่าวว่าให้เจริญอสุภะ ก, กรรมฐานเธอพิจารณาเห็นความปฏิกูลในอาหารมีความสําคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยง อยู่เถิดมารผู้มีบาปภิกษุเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่ากัจกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นไปสู่ปา่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็พิจารณาเห็นกายว่าไม่งามมีความสําคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสําคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของ ไม่เที่ยงเนี่ยนะคือเราว่าให้พิจารณาถึงสิ่งที่ไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลคือเราว่าให้เจริญอริยริธณ์เนี่ยนะให้เจริญอริยริษณ์ก็คือใส่ใจในอะไรในอสุภะกรรมฐานในหน้าสี่ร้อยแปดสิบเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายยุทธ์ก็คือให้เห็นอความเป็นอสุภะในร่างกาย พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเที่ยวไปตลอดชมภูทวีปทั้งสิ้นโดยที่สุดก็ยังเสด็จไปยังที่อยู่ของภิกษุสองรูปสามรูปเป็นต้นแสดงอ น, นิสงส์อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีใจที่อบรมเจริญด้วยอสุภสัญญาความสำคัญว่าเป็นของที่ไม่งามในร่างกายมากหมายคือว่าถ้าใส่ใจอสุภะอยู่มากๆะนะว่ากายนี้ไม่งาม พิจารณาเน้นพิเศษคือเน้นกายของตนเนี่ยนะกายของเราเนี่ยไม่งามผมก็ไม่งามเล็บก็ไม่งามฟันก็ไม่งามหนังก็ไม่งามเนื้อไม่งามเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกน้ำหัวใจตับพังผืวปอดนี่ยนะน้ำดีน้ําเลือดน้ําเสลดน้ํำน้องน้ํามันข้นน้ํามันเลวน้ําไข้ข้อน้ํามูดปัสสาวะเป็นต้นเนี่ยนะถ้าพิจารณาอสุภะในร่างกายของตัวเองมากๆเนี่ยนะจนเหมือนกับว่าอาหารที่ตัวเองกลืนกินเข้าไปเนี่ยนะ กลืนกินเข้าไปแล้วมันไปวางอยู่ที่กระเพาะลำไส้อย่างไรนี่มันไหลไปยังไงก็เห็นหมดเนี่ยนะหรือพิจารณาผมคนอผมเนี่ยมันดูดซึมเอาอะไรออกมาเนี่ยนะอผมทั้งหลายเนี่ยมันประกอบโดยความปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยลักษณะอย่างไรถ้าใส่ใจในความเป็นอสุภะเนี่ยนะเรียกว่าชำแหละร่างกายตัวเองโดยอาการสมสองมากเท่าใดใจก็ย่อมหดหูเรียกว่าจิตก็หดหูถอยกลับ ไม่เหยียดออกวางเฉยเพราะความสำคัญว่าเป็นของปฏิกูลตั้งอยู่พร้อมจิตก็เว้นห่างจากเมถุนธรรมใจก็ไม่น้อมไปเพื่อเสรเมถุนธรรมเพราะอะไรเพราะสำคัญว่าปฏิกูลเนี่ยนะก็คือเน้นพิเศษก็คือปฏิกูลในกายของตนเนี่ยให้มากที่สุดเนี่ยนะใช่หนะปฏิกูลของผมของตนเนี่ยนะก็ปฏิกูลไม่เชื่อก็ปลงผมเสร็จก็เก็บไว้ดูเถื่เนี่นะ โกนหนวดโกนเขาเสร็จก็เก็บไว้ดูเธอขนเนี่ยนะเล็บก็ตัดเล็บเสร็จก็เก็บไว้ดูเธอเนี่ยนะ ฟันเนี่ยนะแปลงฟันเสร็จก็เอาบ้วนน้ำปากเก็บไว้เธอดูเธจะเดือดร้อนขนาดไหนใช่ไหมหรือว่าผิวหนังเนี่ยก็ขัดเมื่อนอหนังมันก็ลอกไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ขัดลอกหนังก็เก็บเอาไว้เธอเนี่ยนะจะขนาดไหนถ้าเลือดมันไหลออกมาทําไงถ้าหนังมันหลุดเป็นชินนช้นเป็นชิ้นเนื้อเอ็นกระดูกเี่ะในกระดูกถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเคลื่อนออกจากตำแหน่งเมื่อใดแล้วก็เดือดร้อนหมดแล้วเชื่อมันอยู่กับที่เนี่ยถ้าไม่ได้อาบไม่ได้ล้างก็เดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นก็ใส่ใจในอสุภะเอาไว้ให้มากๆเธอ ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุมีใจที่อบรมด้วยความสําคัญว่าเป็นของที่ไม่งามเนี่ยนะอสุภะกรรมฐานมากอยู่จิตก็อขออภัยข้อต่อไปก็คือเมื่อจิตอบรมอยู่ในอาหารเรปฏิกูลสัญญาใส่ใจว่าอาหารเป็นของปฏิกูลเนี่ยนะก็คิดดูนะอาหารแต่ละชิ้นเนี่ยกว่าจะเพาะปลูกขึ้นมาได้เขาเอาอะไรเพาะปลูกเอาน้ําหอมใช่ไหมไปปลูกผักเข้เาเอาน้ำหอมใช่ไหมก็ เ, เอาเรียกว่า ขี้โคขี้กระบือทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละขี้อุจระมนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละไปรถผักเนี่ยนะก็ผักเหล่านั้นเวลาที่มาประกอบมาปรัปรุงพร้อมเนี่ยเวลาเคี่ยวออกไปเนี่ยนะแม้ฟันก็สวยอาหารก็ดูกรอบเคี่ยวออกมาแล้วถ้าผักกับอาหารกระทบกันจะเป็นอะไรขึ้นมากลายเป็นของงามต่อไปไหมอา้าวฟันก็สวยอาหารก็ดูดีใช่ไหมพอเคี่ยวมาเข้าปากปั๊บเนี่ยกลายเป็นไรเอ่ยเนี่ ย, ยแล้วเวลากลือนกินเข้าไปแล้วก็เพาะลำไส้เคยล้างกันบ้างหรือเปล่ากันนะ ก็เคยล้างบ้างไ้มแล้วมาอยู่แล้วพวกนี้มันดูดซึมเข้าไปในกายพิจารณาเธอแล้วก็เอาไปปล่อยเรียราาไปทั่วไปหมดเลยเนี่ยนะก็คิดดูนะเรียรา่าทำไมเราเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเนี่ยวางไปวางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุ ด, ปจดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ใส่ใจเนี่นะย จ, นะจิตก็จะเรียกว่ไรจิตมันก็จะหดหูถอยกลับมาจากรถของอาหารตั้งหลายที่เคยติดในรถเป็นต้นเนี่ยนะ